จเจริญพรท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆกทนเ <ś les> บื้องตน้นเบื้องปลายมันมีอยู่สองเงื่อนแค่นั้นเองเบื้องตน้นสตาร์ทออกจากความทุกข์เบื้องปลายก็คือที่สุดแห่งความทุกข์ ตรงกลางเรียวกว่าวัตทสงสารเป็นวงกลมวัตตรงสานเป็นวงกลมเช่นว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็เกิดกิเลสต่อเป็นวงกลมกิเลส กรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันอยู่ตรงไหนกิเลสกรรมวิบากกิจที่เป็นตัวกูในชีวิตประจำวันก็ดีต า, ด ت, า ت, า ت, าตายไปแล้วก็ดีกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากตายไปแล้ว จิตไม่รู้ไปไหนร่างกายตายแต่จิตวิญญาณของคนนั้นยังวนเวียนอยู่วนเวียนอยู่ไม่รู้จักตายต่รู้ว่าตัวเองตายแล้วก็ยังไม่รู้เลยวนเวียนอยู่อย่างนั้นทีนี้ตอนที่เป็นปนก็วนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้น คือไม่ถึงเส้นชัยมัเป็นวงกลมวัตถสงสารเรียกว่าวัตถสงสารวัตถสงสารก็คือวงกลมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรมวิบากกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วก็ได้รับผลกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็คือวิบากก็เกิดกิเลสต่อก็เกิดกิเลสก็ทำกรรมอีกทำกรรมอีกก็ได้รับผลกรรมอีก อยู่อย่างนั้นไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปอยู่อย่างนั้นนี่คือตอนที่เป็นเนพอตอนที่ตายแล้วสิ้นลมหายใจไปก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกไไถก็ยังอยู่อย่างนั้นอย่างดีก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ถ้าหากว่าทำบุญเอาไวา้ได้เกิดที่ดีๆ ถ้าทำชั่วทำกรรมเอาไว้ก็นายเกิดไปเกิดที่ที่ไม่ดีทีนี้ถ้าผู้ที่จะสิ้นกรรมเขากดสซองหาหรือพวกที่อยู่บนชั้นเทพเนอะก็จะเอาจิตวิญญาณ น, นั้นไปใส่ไว้ในผู้ที่มีใจบุญสนทานและต้องการที่จะพ้น จากเวทจากกรรมเหล่านั้นให้เดี๋ยวนี้หายากผู้ที่เกิดเป็นเทพก็หายยากมีแต่สัตว์นรกสัตว์นรกคือจิตวิญญาณที่ร้อนตายไปแล้วก็ยังร้อนตกนรกวิญญาณที่ตกนรก วิญญาณที่มีแต่ความอยากเป็นเปรตเป็นเปรตวิญญาณเต้นเป็นอสุรกายมีความกลัววิญญาณโง่โง่จัดเดรัจานทีน่นี้พวกเทพนั่นแหละหาพวกที่เป็นเทพด้วยกันไม่ก้อยที่จะได้แล้วก็ได้แต่พวกเปรตสัตว์นรกเดรัจฉา น, านอสุรกาย เอามาเกิดทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแต่คนไม่ดีมากเด็กที่ติดยามากคนกี้เมงมากคนมิจจาทิฏฐิมากนี่แหละคือมันหน่ายยากมันเพาะพันไม่ได้ทีนี้เราตั้งต้นมา ตั้งแต่ตอนว่ากระรคือครั้งที่หนึ่งนี่มาถึงครั้งสุดท้ายคือครั้งที่หกของพ่อจึงบอกว่าต้นทางคือความทุกข์ปลายทางไม่ใช่ความสุขนะไม่ใช่ความสุขความสุขมอนเป็นทุกขเวทนาไม่เอาแต่ความสุขจริงๆ คือสุขเย็นสุขเย็นนิพพานังประมังสุขขังสงบเย็นสุดทางคือจิตที่เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติธรรมชาติก็คือพระธรรมนั่นแหละจ <c oughs> ิตที่ไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติที่สงบเย็น จิตที่อยู่เหนือกายอยู่เหนือเวทานาอยู่เหนือจิตอยู่เหนือธรรมชาติเมื่ออยู่เหนือธรรมชาติก็อยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตระอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือจักรวาลอยู่เหนือหมดทีนี้จิตสงบเย็นตัวนี้บางวันเราก็มีบางวันเราก็ไม่มี แต่ว่าถึงมีเช่นว่าเราเข้าไปในวัดบางวัดที่เป็นป่าเข้าไปถึงริ้ ส, สงบเย็นนี่เรามีพระนิพพานพระนิพพานเซมเปิญที่เข้าไปที่นั้นแล้วเข้าไปที่ไหนก็ตามถ้าจิตสงบเย็นมีพระนิพพานนนี้จิตพระนิพพานคือจิตที่สงบเย็น จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ตรงนั้นแต่แล้วเราก็ไม่ยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานนั้นเราก็ไม่รู้อะไรใน ร, รมวัดเช้าหรือทำรรวัดเย็นทำวัดเย็นมากกว่าท่านไปดูนะจงมาจากที่ไม่มีน้ำสู่ที่มีน้ำ จงละกามเสียไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานซึ่งเป็นที่สงัดอันสัตยินดีได้โดยยากเห็นไหมมันไม่ชอบความสงบสงัดนี่มันไม่ชอบมันชอบตึกกตึกครึกโครมชอบสุขเวทนาเขียวเขียวแด ง, แดง พอทุกเวทนาเกิดวิ่งหนีทุกเวทนาเกิดก็วิ่งไปเอาตะครุบมามีแต่วิ่งชีวิตมีชีวิตนี้มีแต่วิ่งวิ่งไปหากับวิ่งหนีมันก็เลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนยเอาทีนี้ทําบุญง่ายทําบุญะมีเงินจักบาทมันก็ทําได้แล้วทําบุญพอทําบุญครั้งหนึ่ง ได้ฟูขึ้นมาทีหนึ่งเแ็จแล้วค่อยแฟบลงแคว่ลงแควบล ง, ลงบุญลูกโปง่งนั่นเรียกว่าบุญลูกโปง่งพอทำบุญลูกโป่งก็เต็มขึ้นมาทีหนึ่งพอหลายหลายวันก็แคว่ลงแควบลงแควบลงบุญนะแปลว่าหนักหนักรอดเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นในบุญเหล่านั้น อาไปยึดมั่นถือมั่นในบุญอันนี้ทำบุญไม่เอาบุญบาปไม่ทำละชั่วทำดีทำจิตให้สะอาดทำจิตให้สะอาดก็คือสงบนะทำจิตให้สงบแล้วให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สงบหลงพ่อจึงบอกว่าความสงบมีอยู่แล้วในทุกคน เขาให้มาแล้วเล็ดพืชอนนั้นเขาให้มาทุกคนเราไม่เพาะไม่หวานไม่ดูแลไม่รักษาพืชแห่งความสงบนั้นมันจึงไม่เจริญจอปฏิบัติธรรมวนเวียนอีก้อบวนเวียนกันจริงๆวนเวียนกันอยู่ตรงนั้นวนเวียนอยู่ตรงนั้นไปจิตมัน่นถือมั่นอาจารย์ แล้วก็มาเสร็จแล้วออกมาปฏิบัติปฏิบัติโอกข้าไปยึดมั่นถือมั่นอีกอยากจะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคิคามีพระอรหันต์อยากจะไปเป็นอีกมันหยุดยากพระอรหันต์มันหยุดอยา ก, าายยากทีนี้พระโสดาบันกนค่อยๆสตาร์ตสตาตออกจากออกจาก ความทุกข์หรือไอกฎเกณฑ์นะทุกคนมีความทุกข์ทีนี้พอรู้ว่ามีความทุกข์ก็เป็อย่างที่จะวิ่งวิ่งวิ่งออกจากความทุกข์แต่ไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนตัวเองก็ไม่รู้เกันวิ่งไปไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้าวัดส่วนมากผู้ที่ <c oughs> ไม่มีความทุกข์มันมีหลายเรื่องหือเรื่องยึดมั่นถึงมั่นอะไร ถ้าเป็นผู้หญิงไม่แต่งงานเพาะไม่แต่งงานอายุเริ่มที่จะแก่แล้วสามสิบห้าสี่สิบอ่าว่าวัดหรือเข้าวัดเถอะเข้าวัดนี่ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยทีนี้ไม่รู้จะไปไหนเข้าวัดแต่ผู้ชายไม่ก้อยจริงจังกว่าผู้หญิง นี่ดูที่ตรงนี้มีนี่กี่คนผู้ชายผู้หญิงทั้งนั้นเลยต็หัวไม่พลาดแต่ผู้ชายจะน้อยมากเพราะผู้ชายอวดดีซะมากกว่าก็อวดดีก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งแต่จะ่แล้วไม่มีดีจะอวดแล้วจะเอาอะไรมาอวดฉะนั้นเราทุกคนหากว่าเราปฏิบัติ ถึงจุดนั้นคือจุดแห่งความสงบไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็กเทยมันมันเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไปถึงจุดนั้นมันไม่มีอะไรมันจะมีแต่ความสงบเย็นไม่มีตัวกูไม่มีตัวสูไม่มีอะไรทั้งนั้นคือมันว่างแล้วก็สงบเย็นว่างแล้วก็สงบเย็น และจิตที่เข้าไปสู่ความว่างที่แล้วสงบเย็นนั้นย้อนที่สุดเรียกว่าที่สุดหลวงพ่อจึงบอกตั้งแต่ต้นว่าเหมือนกับว่าเวลาอย่างนี้เวลาเมื่ที่เราเข้าไปยึดถือยึดถือรออายุเท่านั้นเท่านี้เท่านโนมันก็เกี่ยวกับเวลาหมดเกี่ยวกับเวลาหมด ทนี้ถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือเวลาอายุของเราก็ไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่มีในที่นี้หมายถึงว่าคํานวณไม่ได้ไม่มีเวลาเนี่ยมันคํานวณไม่ได้ว่าเท่าไหร่อก็เรียกว่าอยู่เหนือเวลาอยู่เหนือเวลาเนี่ยมันพูดยากพูดยากมากเมื่อจิตอยู่เหนือเวลา ก็อยู่เหนืออายุอยู่เหนืออายุก็เรียกว่าทีอายุอายุที่ยืดยาวยืดยาวเป็นอายุที่ยืดยาวยืดยาวจนคํานวณไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นแสงสว่างก็เรียกว่าอามิตาเย้เจ้าเป็นอายุก็เรียกว่าอมิตายุอมิตายุอมิตายุมีอายุที่ไม่สิ้นไม่สุด ถ้าใครไปถึงจุดนั้นอายุไม่สิ้นไม่สุดอมิตายุอามิตาภะมีแสงสว่างที่คำนวณไม่ไหวแสงสว่างมีแสงสว่างอยู่อย่างนั้นนี่ก็ยังเป็นสมมติอยู่อย่างนี้พูดยังไงก็ยังเป็นสมมตินั่นแหละพระนิพพานพระมิตรนิพพานคือจิตหรือว่าจุดสูงสุด ของความเป็นมนุษย์ของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ตรงนั้นทีนี้ถ้าจิตเข้าถึงความสงบเย็นก็ต้องเหมือนที่บอกว่าต้องเห็นอนิจจังก่อนเห็นอนิจจังต้องเห็นทุกขงังต้องเห็นอนัตตาแล้วเข้าถึงจุดคือสุญญาตาทีนี้เราเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่ง สารณะแปลว่าที่พึ่งพระพุทธเจ้ามีจิตสงบเย็นพอเราได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าปัญหาต่างๆมันลุดออกไปจิตถึงความสงบเย็นพอถึงความสงบเย็นแล้วเราประวัติสาธุพุทธทางสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งคือสารณะสารณะเอามาไว้ในใจ ธรมมังกรนังคัจฉามิพระธรรมไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระธรรมที่เป็นยอดของพระธรรมคือความสงบเย็นที่เป็นครังที่เป็นครังของสรรพสิ่งเป็นครังของทุกสิ่งทุกอย่างถ <c oughs> ้าไม่มีพระธรรมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกสัตว์ทั้งหลายไม่มีแต่นี้เริ่มต้น มาจากประธรรมคือความสงบทีนี้ความสงบนั้นพอต่อมาก็ค่อยๆเกิดความมีขึ้นมาเกิดความมีนั้นมีนี้มีโน้นนีตามภาษาปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพอมีก็เกิดขึ้นมีก็เกิดขึ้นมีก็เกิดขึ้น อ้าทีนี้พอมีกูขึ้นมาเนี่ยปฎิกิตมีจิตมีอ้าวไม่รู้จักจิตก็ไม่รู้จักจิตก็เอาจิตมาเป็นต э so ัวกูเอาจิตมาเป็นตัวกูทีนี้พอเอาจิตมาเป็นต <me ัวกูมันก็ค่อยเคลือบก็ไปเคลือบก็ไปเคลือบก็ไปราคะเคลือบเข้าไปโทสะเคลือบเข้าไปโมหะความโง่ความหลงเคลือบเข้าไปพอเคลือบก็ไปมันหนักหนักที พอหนักเลมันมืดมันหนักมันมืดแล้ว่าหาทางออกหาทางออกก็มีทางออกที่พระพุทธเจ้าท่านคกน็พบว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะอาวิชชาดับสังขารญญญจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับ อายตนะจึงดับเพราะอายตนะดับปัสสาจึงดับเพราะปัสสาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพระชาติดับชรามรณะโสกบาลิเทวะทุกขโทมนาจาอุปาญาตจึงดับความดับทิ้งทั้งหมดนี้อาศัยการปฏิบัติตามอริยมรรคม่องแปด จุดสตาร์ทของเราจากการมีความทุกข์มาเริ่มต้นโดยการมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจ ะ, จะรู้จักทุกข์ได้อย่างไงเริ่มที่จะมีปัญญาต้องการที่จะออกจากเครือข่ายแห่งความทุกข์เมื่อต้องการที่จะออกจากเครือข่ายเครือข่ายแห่งความทุกข์ไปรับสี่งรับสินก็ไปฟังธรรมพอค่อยฟังธรรม ก็เริ่มที่จะปฏิบัติธรรมมันเริ่มที่จะมีปัญญาแล้วทีนี้ทีนี้พอมาดูใน อ, อริยมรรคในองค์แฝงก็ปัญญาต้องมาก่อนถ้าท่านไม่มีปัญญาแล้วท่านจะมาที่นี่ได้อย่างไงอาัยปัญญาออกที่นี่ก็ปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมกันเถอะนั่นคือสัมมาทิฏฐิตัวแรกที่มันเกิดปัญญาขึ้นมาแต่จะนี่ทีนี้ปัญญามันต้องพราดปัญญา ว่ ม, มีปัญญาจริงๆปัญญาค่อยๆเข้มคนไม่ใช่ปัญญาตอนแรกมันจะเข้มมันยังไม่เข้มตอนแรกยังไม่เข้มทีนี้พอเข้มคนเออสัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจอริยสัจ ต, ตัวไหนที่ท่านเข้ามานี้อริยสัจ ต, ตัวแรกตัวที่เราสตาร์ทนั่นแหละทุกเห็นไหมอริยสัจคือทุก คือทุกทีนี้เหตุได้เกิดทุกอะไรเรามีอะไรเหตุที่ทําให้เรามีความทุกันะอะไรทีนี้เรามาที่นี้เราต้องการมห า, าตัวดั บ, าด บ, าดบ ห, า, า, นะ า, หาตัวดับทุกหาตัวดับทุกแล้วหนทางมันเดินทางไหนตัวดับทุกเพราปฏิบัติตามองค์มัสมาริยมัคไม่ อ, องแปรเห็นไหมทุกมันผลักดันมากที่เรามาที่นี้ยนี่เราเริ่มสตาร์ท ตั้งแติตรู้จักคิดรู้จักคิดรู้จักหาช่องทางว่านี่ต้องปัญญานั่นเองคือปัญญาอ่อนอ่อนตอนแรกนะ่ยปัญญาอ่อนอ่อนพอปัญญาอ่อนอ่อนเรความทุกข์มันมีมากมายเลือกเกินสารพัดทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกหนทางให้ถึงความดับทุกนั่นก็คืออริยสัจอริยสัจ อริยสัจสี่่นี้สัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่ทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันหลายอย่างเหลือเกินขันห้ามปฏิจจสมุปบาทมั่งอย่าไปข้าใจผิดขันห้าก็คือครึ่งทอนครึ่งทอนของปฏิจจสมุปบาทอาวิชชา สังขารวิญญาณนามรูปนั่นแหละกันนานามรูปคือกันนาทีนี้เราปฏิบัติตามอริยมรรคไม่มงเป็นกเกิดเห็นอริยสัจสี่เห็นตรงไหนเห็นโอเรานี่มีกายกระใจไม่มีอะไรมีกายกระใจทีนี้กายกระใจยังไม่มีปัญญาที่ถึงสี่สุด มันกล้าไปยึดถือทีนี้กล้าไปยึดถืออะไรกล้าไปยึดถือรูปว่าเที่ยงกล้าไปยึดถือเวทนาสัญญาดังการวิญญาณว่าเที่ยงว่าเที่ยงมาดูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากล่าว่ามันไม <orous> ่เที่ยงรูปมันไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงดังการไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเอา้าปฏิบัติเข้าไปไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูรูปก็ไม่ใช่กูเวทนาไม่ใช่กู stroke, สัญญาไม่ใช่กูสังขารไม่ใช่กูวิญญาณไม่ใช่กูปฏิบัติเข้าไป เ, ข, ไป เ, ข, ไปเ ข, ข้าไปเข้าไปเข้าไปคาเทือบคาเทือบขึ้นข้างบนอ่าทีนี้พอเห็นอริยสัจแล้วนี่ครึ่งทอนปฏิจจัตธรรมบุปผาท์กลึงทอน แล้วเอ๊ะนามรูปมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรอ้อเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยที่บอกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปเีนี้ทั้งหมดมันก็คืออริยสัจนามรูปตั้งเลยนามรูปเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้ แต่ไอ้ที่เรารู้อยู่เป็นประจำเนะี่ยมันรู้ผิดเรารู้ว่ารูปเป็นกูเวทนาเป็นกูสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกูรู้ผิดนั่นมันรู้ผิดเพราะรู้ผิดมันก็ทุกทุกทีนี้เราก็ตั้งั้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาหรือว่านามารูปเป็นตัวทุกเหตุให้เกิดทุกวิญญาณ วิญญาณที่โง่นั่นแหละตัวรู้โง่นั่นแหละให้เอให้เกิดทุกข์คือวิญญาณความดับทุกข์ต้องปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดแล้วเราก็ได้ตัวดับมาได้ตัวดับมาคือตัวนิโรธหรือว่าเราเห็นครบกระบวนการเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรคเห็นครบกระบวน ทั้งฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งฝ่ายดับทุกข์ทีนี้พอเราได้มาทั้งกระบวนการแล้วเราก็เอาอันนั้นอริยสัจซีนะั่นแหละมาดับออกมาดับแต่นี้ที่บอกว่านามรูปเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คือวิญญาณที่เราตั้งไว้ผิดทีนี้ปฏิบัติตามองค์มรรคพอปฏิบัติตามองค์อริยมรรคเห็นอริยสัจสี่ แล้วก็เลือกเอาตัวดับคือนิโรธเอามาดับวิญญาณโง่นั้นให้ฉลาดเสียว่าไอ้วิญญาณความรู้ที่เป็นกูน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่นชี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกเ่ได้เกิดทุกขคือวิญญาณความดับทุกขเราได้มาแล้วคือปฏิบัติตามอมมักแล้วก็เอามาดับวิญญาณ พอดับวิญญาณคือดับที่เหตุมันดับที่เหตุเหตุมันเกิดตรงไหนก็ไปดับที่ตรงนั้นวิญญาณอะคือเหตุให้เกิดทุกเหตุใ้เกิดทุกก็คือนามรูปทำไมเกิดนามรูปขึ้นมาที่นี้พอวิญญาณดับวิญญาณดับวิญญาณเมื่อก่อนวิญญาณโง่ตอนนี้วิญญาณแล้วอวิญญาณฉลาด วิญญาณ น, นั้นมีสติมีปัญญาเห็นอริยสัติก็เห็นกันนะ่ะก็ดับที่ตัวนามรูปนั่นพอดับตัวนามรูปนามรูปมันก็ดับเลยแต่ต้องดับวิญญาณก่อนเห็นไหมนี่แต่ว่าเราเห็นปัญญาร a n g i n g เกิดมาพอมีปัญญาร a n g i n g เออไปปฏิบัติไปปฏิบัติ ไม่ไหวแล้วมันอยู่บ้านมันวุ่นวายอะไรก็วุ่นวายนี่เพราะความยึดมัน่นมันคือตัวอวิชชาตัวทุกขทีนี้เจ็ดแล้วเกิดปัญญาขึ้นมันนิดนิ ด, นดหน่อยหนยคิดว่ามันคงจะเป็นทางออกะอะอวิชชาคือตัวทุกขเหตุให้เกิดทุกอะไระนี่เอาตามลําดับไปที่ทุกเหตุให้เกิดทุกจมูกตายที ไอ้ได้เกิดทุกสมู ท, ทัยอันี้ความดับทุกขนิโรดอ่อนทางให้ถึงความดับทุกขปฏิบัติตามเรลยมักอา้าวอันี้เอาแล้วอาวิชาคือจิตงโง่ที่ไปเอาจิตมาเป็นตัวกูพอไปเอาจิตมาเป็นตัวกูโง่มันโง่มันโง่ทีนี้ไอ้จิตเนี่ยมันคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดอยู่อย่างนั้นแปลว่าก่อแปลว่าก่อ จิตนะหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งเปลว่าก่อสองเปล ว, ว่าวิจิตสามเปลว่ารู้เปลวะ่ารู้เราไปเชื่อมันหมดเชื่ออจิตตัวนั้นนี่กี่ตัวมันคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วคิดผิดมันก็บอกว่าคิดถูกนี่มันว่าทําผิดมันก็บอกว่าทําถูกพูดผิดมันก็บอกว่าพูดถูกมันค้านหมดเลยมันค้านหมดทีนี้จิต แปลว่าวก่อแปลว่าก่อนี่โยมทัศนีโยมทัศนีทำที่ตรงนี้มาก่อนคิดว่าทำเล็กๆก่อขึ้นมาเรื่อยก่อขึ้นมาเรื่อยนี่มันบอกทำให้โตๆหน่อยเถอะทำโตๆหน่อยอ่าทำหลังหนึ่งเรากเก่งนี่มีความสามารถนี่ทำต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปทำต่อไปจนหาเงินไม่ตันดินีนี่มันก่อ มันก่อเห็นไหมเนี่ยจิตปแปล ว, ว่าก่อทีนี้ถ้ามันก่อด้วยอำนาจของกิเลสตนาคืออวิชชานะไม่จบไม่มีคำว่าจบคนที่ร่ำรวยมหาศาลมหาเศรษฐีที่อยู่ในกรุงเทพเทำตรงนี้ไปเอาที่ดินตรงนั้นไปทำตรงนั้นแล้วยายโรงงานไปทำตรงโน้นไม่รู้จักเท่าทานนจิตงโง่ ใช่หัวหัวกรนเลยแต่ว่ามันใช่หัวกรนเลยขยายขยายขยายเออรูกน้องเดือนหนึ่งไม่รู้จับ ก, กี่ล้าน อ, อจะทํำยังไงขยายขยายขยายไอ้จิตโง่เนี่แหละมันใสหัวไปเห็นไหมมันใสหัวแล้วมันก่อไม่หยุดมันก่อไม่หยุดมันก่อไม่หยุดมันก่อมันก็คือก่อหนี้อะไรมันก่อหนี้นั่นแหละทีนี้ก็มีความทุกข์มีความทุกข์ นี่คือตัวทุกข์ก็เพราะจิตโง่เพราะจิตโง่ทีนี้เราต้องการที่ทำจิตให้ฉลาดเราก็ต้องปฏิบัติที่ทีนี้คนที่ร่ำรวยมหาศาลเจ้าของโรงงานใหญ่ๆอะ่ะบอกว่ามัดปฏิบัติทำแตอไม่มีเวลาเอาเวลาที่ไหนก็เพราะจิตมันใส่หัวหมดเพราะเวลาที่ไหนมาปฏิบัติจิตมันใส่หัวหมดจะกินจะทำงานอะไรก็เบลือหมด น้ำทั่วมันนั่งเบลเลยนั่งเบลอเลยเห็นไหมนั่นแหละคือความทุกข์ที่จิตมันใสหัวอยู่เป็นประจำทีนี้ว่ามันไม่ใสหัวอย่างนั้นอ่าพอมีขึ้นมามันก็ก่อเกา ะ, ะก่อะะก่อเกาไม่หยุดมันกาะไม่หยุดนี้แปลว่าก่อแปลว่าก่อทีนี้แปลว่าวิจิตแปลว่าวิจิตเออไม่ดีเลยไม่เรียบร้อยเลยไอ้ที่ทำ ต้องให้เรียบร้อยกว่านี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจนไปเอาตาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาลําหนึง่งออกมาตัดตัดแต่แล้วก็ทําเป็นกระหนกเป็นอะไรต่ออะไรนี่ทําให้วิจิตทีนี้ทําบ้านทําจองก็ต้องวิจิตทําอะไรก็ต้องวิจิตวิจิตหมดแม้แต่เสื้อผ้านี่ก็ทําให้มันวิจิตเรียบร้อยพอมีตะเกบมีอะไรเรียบร้อยไม่พอ ต้องวิจิตต้องใส่สีต้องใส่ลายต้องอย่างนั้นอย่างนี้วิจิตอะไรก็วิจิตหมดเพระวิจิตอย่างพระก็เลยตายกับวิจิตตายเพราะอะไรสร้างโบสถ์ก็สร้างโบสถ์แต่แล้วหน้าต่างกี่หมื่นนะหน้าต่างกี่หมืน่นกี่แสนนะไอ้ตรุมประตูกี่หมืน่นกี่แสนนะวิจิตวิจิตวิจิตอ๋อนี่ก็ยก ยกคันตัวขึ้นไปยกอะไรขึ้นไปยกจอกฟ้าขึ้นไปวิจิตวิจิตวิจิตตายกับไปวิจิตนั้นแหละเห็นไหมนั่นอาวิจามันใสหัวมันไม่ได้จิดแล้วนี่พระไม่มันไม่ได้จิตใสาทางนั้นเอาวิจามันไม่เกรงใจใครทางนั้นเน่ยไม่เกรงใจใครก็เลยนั่นเดือดร้อนก็นอนตกนรกอยู่นอนตกนรกโยมก็ตกนรกพระก็ตกนรกตกนรกทางนั้น นี่คำว่าวิจิตทีนี้พอจิตเปรียคำจุดท้ายว่ารู้รู้นี่คือปฏิบัติตามอริยมรัคไม่องค์ด พ, พอปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์8ก็เห็นเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสี่พอเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือทุกขหตุให้เกิดทุกความดับทุกขนทางให้ถึงความดับทุกข เห็นอริยสัจก็เห็นกันธ์หน้าันหน้าก็คือตรงครางของอริยสัจสี่ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสีนั่นแหละที่ก็เอามาต่อกันเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวงเหมือนกับว่าสร้อยคอนะสร้อยคอที่เราทำเป็นวงเล็กๆแล้วเอามาต่อกันต่อกันต่อกันต่อกันเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวงเป็นวง ทีนี้ถ้าปฏิจจธรรมุปบาตสิบสหรือ11หรือ12บสองวงวงที่หนึ่งก็อวิชชาอาวิชชาเปรียบด้วยคนตาบอดวงที่สองก็สังขารสังขารก็คนปั้นหม้อก็ปั้นใหม้มันวิจิตรนี่ปั้นหม้อทำกับอะไรหม้อละ่ะก็ทํากับดินไปเอาดินเหนียวมาเอามาทําโดยวิธีการต่างๆแล้วเอามาปั้นหม้อปั้นหม้อทีนี้ ที่ไหนที่เชียงใหม่ที่ ล, ล, ลําพูนลําปางมีโรงงานเห็นไหมให้วิจิตขึ้นไปอีกวิจิตขึ้นไปอีกวิจิตขึ้นไปอีกบันหมอถึงจะปั้นสวยยังไงดินเหนียวนั่นแหละเดีนี้เป็นยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องแตกต้องแตกต้องทําลายนี่หมอดังนั้นทำให้มันวิจิตคือสังขารปรุงแตง่งปรุงแตง่งกายสังขารวัชิสังขารมโนสังขารแปลว่าปรุงแตง่ง อาวิชาเป็นปัจจัยทาให้เกิดสังขารทีนี้สังขารเป็นปัจจัยทาให้เกิดวิญญาณมันรู้วิญญาณคือตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ทีนี้ไอตัวรู้ที่เป็นตัวกูนั่นแหละตัวรู้ที่เป็นตัวกูตัวนั้นเนี่ยกูรู้รู้ในอะไรรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสในธรรมารมตัวรู้นั้นกูรู้ ไอ้กูรู้นั่นแหละคืออวิชฌะมันรู้อวิชฌะมันรู้งั้นพอรู้แล้วเข้าไปยึดมัน่นเถอมันอวิชฌะมันรู้วิญญาณนั้นก็เลยผิดเพราะรู้ด้วยความโง่แต่ถ้ารู้ด้วยสติปัญญารวดนี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุก์นี่ความดับทุกนี่หนทางให้ถึงความดับทุกนั่นคือรู้ด้วยปัญญาพอรู้ด้วยปัญญา เสร็จแล้วไอ้รู้ไอ้กูรู้รนั่นหายหมดไม่เอาแล้ว ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่เอาแล้วไอ้กูรู้ไอ้กูกูที่ทิงทิ้งทิ้งทไม่เอาตัดทิ้งไปเลยเห็น ไ, ไ, ไหมไอ้นี่พูดว่ากูว่าฉันว่าฉันว่าผมอันนี้สมมติกันเราสมมติทางนั้นแต่มันไม่ใช่จริงมันไม่ใช่จริงเพราะฉะนั้นไอ้กูรู้นี่ก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไป นี่จนไปถึงนามรูปอายตนะทีนี้พูดง่ายๆให้ฟังหน่อยว่าอ้าวิชาเปรียบด้วยคนตาบอดสังขารเปรียบด้วยคนปั้นหมอ้อจากดินแล้วออกมาทําเป็นหมอ้อเนี่มันก็แตกนั่นแหละวิญญาณเปรียบเหมือนลิงได้แก้วมันดีใจคิดว่าแก้วเนี่ยอุย้ยแวววาวเหมือนก็ะไดเพชรไดโปรอยอย่างนั้นแต่มันไม่รู้อะไร เมือมันดิงได้แก้วนามรูปกายกะใจนามรูปคือกายกระใจเหมือนคนที่อยู่ในเรือรำเดียวกันแล้วก็พายกันไปนี่นามรูปคนอาญตธนะบ้านหลังหนึ่งมีประตูหน้าต่างอกบา น, นี่นี่เราที่นั่งนี่บ้านนี่บ้านนี่บ้า น, น, านตะกุ้มตะกุ้มตะกุ้มเนี่ ตาสีขาวกันหมดบ้านนี่ทีนี้มีประตูหน้าต่างหกบานตาโอจะบุกลิ้นกายใจนี่บานหกหลังทีนี้อายตน ะ, ะเขาให้ทำหน้าที่ให้ทำหน้าที่พออายตนะแล้วก็ปัดสาตาเห็นรูปเกิดจกักูวิญญาณคือความรู้สึกทางตาเสร็จแล้วก็เกิด รูปจักกูวิญญาณสามอย่างทำงานร่วมกันทำให้เกิดปัจศารนั่นคือการกระทบอนี้ถ้าการกระทบนั้นโง่ก็เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ถ้าการกระทบนั้นฉลาดนันก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นนี่นี่สราญตนะปัจจารแล้วก็เวทนาเวทนาปัจจาก็เปรียบเหมือนสามีภรรยา น, นั่งครอเคลียกันอยู่เวทนา เวทนาเหมือนกับคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดพอเย็นตกเย็นขึ้นมาก่เหล้าตกเย็นขึ้นมาก่เหล้าเช้าขึ้นมาก่เหล้านี่ตันหาเรียกว่าตันหนาจากเวทนาก็เป็นตันหาดื่มเหล้าดื่มแล้วติดนีตันหานี่มันติดกามัตันหาเพราะว่ตันหาวิภพอัตนาเนี่ยมันติดติดแล้วนี่มันติด แล้วก็อุปท า, านอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ากลัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นเปรียบเทียบด้วยลิงลิงที่ขึ้นไปบนต้นไม้อ่ะขึ้นไปบนต้นไม้นมือก็กาะกิ่งนี้อีกมือหนึ่งก็ไปยิบไปเด็ดผลไม้มาแล้วก็เท้าสองเท้าก็เห ย, ยียบลงที่กิ่งไม้ยึดมั่นถือมัน่นนี่ อุปาทานอุปาทานีนี้อุปาทานหรือว่าตั้งแต่นู pues voilà. ้นค AH ือมาตั้งแต่เราเราอาจับจับมาจากนามารูปและสราญตนะตาเห็นยึดมั่นถือมั่นผู้ได้ยินยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วมันเลยยึดมั่นถือมั่นอีนี้ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นมีคันแล้วมันตั้งคันขึ้นมาแล้วยึดมั่นถือมั่นมันตั้งคันขึ้นมาแล้ว พอตั้งคันขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งคันแล้วมันก็คลอดตั้งคันแล้วก็คลอดตั้งคันแล้วก็คลอดเช่นว่าก็กูขึ้นมาอย่างนี้ก็กูขึ้นมาก็กูขึ้นมากูมันมันยังไม่ถึงสิบเดือนในแป๊บเดียวคลอดแล้วคลอดนี่เรียกว่าพบพบกามพบรูปพบรูปพบกามพบเช่นว่าผู้ที่สูงอายุแล้วคิดเรื่องพบโอ้ยตอนเราหนมนมนี่ เราสนุกสนานเรื่องกามทุกแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วเนี่ยมันคลอดแล้วเห็นไหมเรื่องอะไรที่มันคิดแล้วก็เอามายึดมั่นถือมั่นเป็นภพแล้วแล้วก็คลอดพอเป็นภพแล้วก็คลอดเป็นภพแล้วก็คลอดเป็นภพแล้ก็คลอดมันไม่รอสิบเดือนเก้าเดือนหรอกอ๋คิดว่าตัวกูอย่างเนี้ยพอคิดว่าตัวกูตัวกูแก่ตัวกูเจ็บตัวกูตายโอ้คลอด๊เนี่ยมันคลอด คลอดรวดเร็วมากนี่เป็นพบเป็นภพละก็ชาติชาตินะ่ะคือชาติที่ภพเนี่ยก็เปรียบด้วยคนมีคันคนมีคันอันนี้พอมีคันเราไปก้าวจะมีคันเนี่้องรอก้าวเดือนสิบเดือนไม่ถึงเสี้ยววินาทีเนี่ยมันคลอดแล้วคลอดแล้วก็คลอดออกไปก็เป็นชาติชาติคือความรู้สึกความรู้สึกว่าตัวกูนั่นคลอดออกแล้ว กรอดออกมาว่าตัวกูก็ตัวกูแปรเจ็บตายกูหมดทีนี้เป็นกูหมดนั่นคือทุกนั่นแหละคือทุกทีนี้เราก็ต้องเห็นว่านี่ทั้งหมดที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับว่าส้ยอยคอส้อยคอที่เรามีสิบเอ็ดบสองห่วงเขาเอาห่วงนั้นแหละเอามาคร้องกันคร้องกันคร้องกันคร้องกันก็เป็น เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจสีขันธ์ห้าก็คืออริยสัจสี่ถ้าเรารู้อริยสัจสี่เราก็รู้ขันธ์ห้าและเรารู้ขันธ์ห้าเราก็รู้ปฏิจจสมุปบาทมันค่อยๆรู้ละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดกันไปนี่ก็าทำไว้อย่างนั้นนี่เขาทำเอาไว้อย่างนั้นและเรื่องจริงมันก็เป็นอย่างนั้น มันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันครอดนี่หลวงพ่อตั้งต้นไว้ว่าอาวิชาเป็นตัวทุกนะที่พูดมาเมื่อตอน ต, อนตอน้นอวิชาเป็นตัวทุกเอได้เกิดทุกสมุทัยสมุทายนี่แปลว่าเหตุให้เกิดทุกทีนี้เราไก ค, ความออกไปว่าเอาได้เกิดทุกตัวไหนอะ่ะก็บอกแล้วว่าให้ อ, อนิโรธฝอยของนิโรธมาส่อง ส่องด้วยละเอียดที่ว่าเตอดได้เกิดทุกนี่ามันอะไรสมุทยัยนี่อะไรที่อยู่ข้างในมันเนี่ยโอ้ราคะโทสะโมหะเฮ้ไอ้สามตัวนี้เนี่ยราคะโทสะโมหะพอส่องพปส่องเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเลยมึงส่องให้หมอดไม้ไปเลยเร่งมันทีนี้ตอนแรกก็ไม่ต้องส่องให้มันสว่างเท่าไหร่ให้สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้ น, นเร่งไฟ เล่นไฟเสร็จแล้วไอ้ราคะโทสะโมหะมันหมดไหม้ไปเลยทีนี้พอราคะโทสะโมหะหมดไหม้ไปราคะโทสะโมหะเป็นอาหารของอวิชชาทีนี้นี่โรดนี่เข้าไปดับนี่โรดเข้าไปดับดับสมุทัยดับสมุทัยเจอแล้วความทุกข์ดับความทุกข์ก็ตายความทุกข์ตายทีนี้มันกินไฟเข้าไปนี่อวิชชา มันกินไฟเข้าไปมันก็ร้อนทีเมื่อก่อนร้อนร้อนก็เลยเป็นตัวกูตัวกูของกูตัวกูของกูหมดทีนี้พอดับสมุทัยพอดับสมุทัยคือนิโรธเข้าไปดับสมุทัยแล้วนิโรธก็เลยไปเป็นเจ้าของอวิชาไปเป็นวิชาทีนี้จากอวิชาก็เป็นวิชาเมื่อก่อนจากโง่ก็เป็นฉลาดเป็นฉลาด ความฉลาดก็ครอบครองหมดครอบครองไปหมดเลยทีนี้สังขารสังขารกูคิดกูทำกูพูดว่าเลิกไม่ต้องกูแล้วใครสติปัญญามันคิดสติปัญญามันทำสติปัญญามันพูดให้สติปัญญาออกไปทำหน้าที่ทีนี้ตัวรู้รู้ว่ากูกูรู้ไม่ใช่สติปัญญามันรู้ทีนี้ ไอ้นามรูปนามรูปก็ไม่ใช่กูจรรยาบรรณตาหูจมูกเล่นก็กกายใจก็ไม่ใช่กูปัจจาก็ไม่ใช่กูปัจจาคือ ก, ก, การกระตบ ก, กระทกเหมือนคลื่นกระทกฟังอย่างนั้นชาติผ่านชาดผ่านคลื่นกระทกฟังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี้มันไม่คลื่นดิมันไม่คลื่นดิก้าไปยึดมัน่นถือมันพอเกิดปัจจาปัจจารและสิ่งที่จะตามมาคือเวทนาสขเวทนาก็ได้ ทุกเวทนาก็ได้อทุกความสุขเวทนาก็ได้ข้าไปยึดถือเวทนาใดเวทนาหนึ่งนี่มันทุกทีนี้มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วอินท่าเห็นว่าไม้เวทนาที่เป็นสุขเกิดดับว่างจากตัวตนเวทนาที่เป็นทุกเกิดดับวางจากตัวตนเวทนาที่มันโง่เกิดดับว่างจากตัวตนหลวงพ่อไม่ใจหวดดีบอกให้ฝังว่าย้อนเวลาหลวงพ่อจันอาหารนะ อย่าไปนั่งดูปากหลวงพ่ออยู่ทำไม่อยจึงไม่ให้ไปนั่งดูหลวงพ่อต้องทําคําที่หนึ่งสักแต่ว่าว่างทาดว่างเคี้ยวว่างว่างว่างว่างว่างกลืนอ่นี่มันจะเกิดเวทนาใดเวทนาหนึ่งขึ้นมารู้สึกว่าอร่อยว่างรู้สึกว่าไม่อร่อยว่างรู้สึกเฉยเฉยว่างเห็นไหม นี่พอเราว่างว่างจากอะไรว่างจากเวทนาเห็เรารู้สึกว่าอร่อยอรู้สึกว่าอรรถมันก็มีตัณหาขึ้นมาในคำข้าแต่ละกรรมแต่ละรมแต่ละกรมนั้นมันมีตัณหาขึ้นมาจนใส่ให้มันไม่ทันเห็นไหมนี่เรียกว่ารู้เท่าทันมันฉะนั้นหลวงพ่อทรมานานแล้วอย่างนี้ทำมานานตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อก่อนตอนที่หนุ่มหลวงพ่อฉันสามสิบ้าคำ ตอนนี้ก็ตายหย่างมากทั้งของหวานอะไรก็แค่30แต่ตามปกติ2ีดังนั้นต้องนับคำอาหารนี่เราปฏิบัติได้ทั้งนั้นปฏิบัติได้ทั้งนั้นให้ซิกเซ็ได้ทั้งนั้นเลยการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่มันนั่งอยู่ที่ตรงนี้ต้องมานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องฉลาดการปฏิบัติต้องฉลาดเอาทีนี้มันก็ดับ เราเห็นก็เกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างเฮ้นี่เรียกว่าคลื่นกระทบฝั่งให้มันเป็นคลื่นกระทบฝั่งปฏิสัณเป็นคลื่นกระทบฝังกระทบเสร็จแล้วก็ดับไปกระทบเสร็จแล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็ว่างดับไปแล้วก็ว่างดับไปแล้วก็ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นตัณหามันจึงไม่เกิดตัณหาดับอันหนาดับก็อุปาทานดับพบดับชาติดับ ทกุก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ทุกก็ดับไม่เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนที่ <c oughs> บอกว่าอจะหกโมงอีกแล้วหลวงพ่อบอกว่าตั้งต้นที่ความทุกข์ให้เราตั้งต้นที่ความทุกข์ทบทวนไปเรามานี้ก็บอกว่าเรามีความทุกข์อันี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ พระนิพพานที่สุดแห่งความทุกข์คือจิตที่สงบเย็นจากจิตที่ร้อนเป็นไฟเหมือนโดนเผาแล้วก็ไปหาน้าไปหาน้ำที่บอกว่านั้นจากที่ไม่มีน้ำไปสู่ที่มีน้ำไปสู่ที่มีน้าไม่มีความกังวลยินดีเฉพาะต่อพระนิพพาน ซึงสัตว์ยินดีได้โดยยากไอปลาที่มันมไม่มีน้ําเห็นไหมมันกดกระดกกระดกกระดกกระดกไออย่างนั้นมันที่แห้งเกล็ดมันก็แห้งอะไรมันก็แห้งมันก็ตายนละทีนี้เราไปยามแทกไปแทกไปแทกไ ป, ก ไ, ปไปหาน้าําคือพระนิพพานอันเป็นที่สงบถึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากทีนี้ จะพูดเรื่องอวยพจน์วยพจน์เเรียกว่าตัวแทนของพระนิพพานตัวแทนตัวแทนของพระนิพพานตัวที่หนึ่งเรียกว่าอาสังกตะอาสังกตตาถ้าสังกตานี่แปลว่าสงสารหรือวัตจักหรือว่าในวัตสงสารอาสังกตะคือทำที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ อสังกตาธรรมสังกตาอาสังกต า, ธรรกาอาืมนี่แต่นี้เป็นอาสังกตานี้อาณาตาอาณาตาก็แปลว่าทำที่ไม่น้อมไปในสิ่งใดหรือสิ่งใดน้อมไปไม่ได้อาณาตาอาณาสะวะไม่มีอาสะวะอาสะวะแปลว่ากิเลสที่มันเคยชินที่มันหมักดองหมักดองที่มันเคยชินมีอาสะวะ มีความโกรธเป็นเป็นนิสัย <ia> มีความโลภเป็นนิสัย <des per ate> มีค ว, ม <des per ate> ความโง่ความหลงเป็นนิสัยนั่นเรียกว่าอาาวะมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่ใช่มันนอนอยู่ในพุ่งไม่ใช่มันนอนอยู่ในจิตแต่ว่าความเคยชินความเคยชินนั่นเ น, นี่นี่เรียกว่าอาชวะแต่ถ้าอานาชวะแปลว่าไม่มีอาชวะ มันเป็นสิ่งเศ้าหมองโดยประการทั้งปวงศัจจ์ศัจจ์คือความจริงของจริงเพียงสิ่งเดียวไม่มีสิ่งที่สองเอามาเทียบศัจจ์คือความจริงพี่สาวหลวงพ่อคนหนึ่งตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วอ ะ, อะไรไม่รู้เด็กนี้เหมือนคนตัน เ, เขาว่าหลวงพ่อตอนเด็กเด็กหลวงพ่อก็ยังจําได้เหมือนคนตันเพราะคนตันเน่ยเป็นเทพครึ่ง เป็นเทพครึ่งเป็นผีครึ่งหนึ่งแต่คนตันก็มีสัจจาเขามีสัจจงนั้นสัจจานี่ก็เป็นชื่อของพระนิพพานเหมือนกันปาระปาระแปลว่าขวางนอกที่กิเลสเละทุกตามไปไม่ถึงแปลว่าฝั่งฝั่งนิปุณะสิ่งละเอียดอ่อนสำหรับการศึกษาและปฏิบัติไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่า นิอุทธสุตตัสสะอันผู้ไม่สิน้นอาสวะเห็นได้ยากที่สุดเรียกว่าสุตตัสสะอชัจฉระไม่มีความคลาคร่าลงโดยประการทั้งปวงก็ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เก่าคือไม่เก่าก็มันไม่แก่มันจะเก่ายัางไงนี่เรียกว่าอาัจฉระตุว ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันอตุวังที่เราว่าอตุวังเป็นของไม่ยั่งยืนนี่อันนี้ตุวังยั่งยืนไม่แปรผันเป็นหนึ่งเดียวอย่างนั้นอปโลกินะเป็นที่จ้องมองแห่งสัตว์เพื่อจะเพื่อการบรรลุ ถ, ถึงต้องการกันทางนั้นพระนิพพานเดินไม่ถูกทาง เดินไปเดินมาเอาไปเอาของขลังอีกแล้วเดินไปเดินมาโดนพระต้ม อ, อีกแล้วนี่เห็นไหมเพราะไม่รู้ไม่รู้ีนี่ตอนนั้นเดี๋ยวว่าอะไรพอเป็นทุกข์ขึ้นมาอูย้ยคุณนี่อะไรคุณนี่ต้องงน่นต้องทำอะไรทำทำกิจกรรมต้องเอาหมอมาต้องเอาอะไรมา เอามาทำมาทำที่บ้านที่จองอต้องมีใบสีเต่านั้นเต่านี้ต้มนะโดนต้มทางนั้นเลยตอนนั้นเป็นทุกข์เลยไม่มีทางออกใครมาบอกยังไงเอาหมดกาดปัญญาเห็นไหมดังนั้นอาปาโลกินะเป็นที่จ้องมองแห่งสัตว์เพื่อการบรรลุถึงเมื่อการจ้องมองก็ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไปจ้อง อ, อกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ อันนี้ทัศนะไม่มีการแสดงออกทางวัตถุหรือทางตานี่ผู้อื่นรอยเห็นด้วยไม่ได้ของใครใครเห็นกันที่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจทีก็ เ, เห็นเองต้องเห็นเองอาการิโกอันผู้ศึกษาและปฏิบัติปึงปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยตนเองทั้งนั้นน่ นิปปาปัญจไม่มีเครื่องกีดกั้นให้เนิ่นช้าเพราะว่างจากกิเลสถ้าว่างจากกิเลสแล้วมันจะช้าได้ยังไงทีนี้มันมันมากวนใจอยู่เรื่อยกิเลสนี่ทีนี้สันตะสันตะก็เป็นเอ่อชื่อเรียกเทนพระนิพพานเหมือนกัน สันต์ตาแปลว่าสงบรำงับจากการปรุงแตง่งเสียดแทงเบาหลน่นสันตาก็ได้สันติก็ได้สันติสำนักวิปัสสนาของหลวงพ่อชื่อว่าสันติบันพศสันตาก็คือสงบสันติก็คือสงบก็คือจิตสงบที่จิตเข้าไปอยู่กับความสงบตอนที่มาสร้างสำนักนั่น หาได้ตามที่นิมิตแล้วก็หาพบพอหาพบไปถึงข้างหน้ารู้สึกว่าจิตไงมันสงบเย็นเข้าไปจิตมันสงบเย็นเย็นเย็นเย็นก็รู้ว่าแน่นอนแล้วตรงนี้แน่นอนแล้วก็เลยเนี่ยตั้งชื่อว่าสันติบรรพตภูเขาที่สงบเย็นภูเขาที่สงบเย็นอันนั้นมันภายนอก แต่ว่าเย็นมันเย็นอยู่ภายในเย็นอยู่ที่จิตฉะนั้นตัวเรานี่ก็เป็นภูเขาถ้าใครขึ้นไปบนภูเขานั้นบนวัดนั้นถ้าไม่สงบเย็นแล้วสแสดงว่าไม่พบขึ้นไม่ถึงไม่ถึงภูเขานั้นอมาตาแะแปลว่าไม่ตายเพราะไม่มีการเกิดเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเหตุปัจจัยก็เราว่าอมาตะอมาตะอมาตะมันไม่ต้องตาย เอาอะไรไปตายแล้วล่ะมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์มันสมม person, สติทางนั้นเมื่อคนก็ไม่ใช่สัตว์ก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่มันไม่มีตัวตนทางนั้นที่ว่าไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีตัวตนทางนั้นหรอกทีนี้หลวงพ่อพูดนในเรื่องของฌานในเรื่องฌานยังเหลืออยู่ข้อหนึ่งคือข้อจุดท้ายข้อจุดท้ายในอรูปฌานอรูปฌานก็คือ อากาานันจายตนะวิญญาณันจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็ข้อสุดทก็คือเนวสญญนะ้สัญญานาสัญญาจตนะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เราพูดว่ามีก็ได้เป็นร่างกายเราเนี้นี่เรามีทุกอย่างถ้าไม่มียังไงก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลยหลวงพ่อบอกว่าไม่มีทีนี้เราพูดในแง่ว่ามีก็ได้ ไอ้ที่มีนะมันสมมติมันสมมติทีนี้เราว่าไม่มีไอ้ที่ไม่มีเพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่มันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยยึดมั่นตือมันไม่ได้แล้วก็มันไม่มีตัวตนจริงว่ามันไม่มีตัวตนจริงมันก็เป็นสุญญตามันว่างว่างจากตัวตนจึงพูดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่ทีนี้ไอ้คาว่าอมตะอมตะ อมตาก็คือไม่ตายแปลว่าไม่ตายเพราะมาอยู่ในอำนาจของเหตุปัจจัยก็เลยจิตจิตที่ว่ามีมีเพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีราะมันมีจิตขึ้นมาแล้วจิตเป็นของกูแล้วตัวร่างกายก็เป็นกูเป็นของกูขึ้นมาหมดนี่มีทีนี้ถ้าเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่บอกว่าเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็ยก จิตที่เป็นสมาธินั่นแหละมันเริ่มที่จะเกิดปัญญาแล้วจิตตัวนั้นเริ่มที่จะเกิดปัญญาแล้วยกจิตขึ้นสู่อะไรขึ้นสู่วิปัสสน า, ายกจิตขึ้นสู่ปัญญาเมื่อยกจิตขึ้นสู่ปัญญาก็จิตที่มีปัญญานะั้นเดี๋ยก็ดูดูจิตโอ้จิตเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตแเองก็เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเริ่มฉลาดแล้วถ้าจะฉลาดแล้วอย่างนั้น คือเห็นจิตว่างจากตัวตนพอเห็นจิตว่างจากตัวตนกัางเราก็ว่างหมดทีนี้มันจะว่างหมดนี่จะฉลาดแล้วจึงเรียกว่าจิตที่เข้าถึงความสงบนั่นคือจิตอมตะอมตะไม่ต้องตายร่างกายตายก็เป็นส่วนของร่างกายทีนี้ทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนอ่ะถ้าท่านไปสอบนักธรรมหรืออะไรอย่างเนี้ยตอพระพุทธเจ้า ประจูดที่ประเทศเนปาลแร่ดาร้ที่ไต้ต้นโพที่พุทธกยาวารินิพานที่กุสินาราตกอย่างนั้นตกแต่กรรมการก็ไม่ให้ตกก็ให้ได้นี่เพรา ก, กรรมการหรือคนที่ออกกสอบก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันก็เลยอ่อนเหมือนกันไปหมดเห็นนั่นคือเท่ากับว่า ร่างกายของเจ้าคว้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนลุมพินีแต่จรู้ที่ไหนที่พุทธกยาแล้วก็ปรินิพานที่กุสินาราแต่ตามที่จริงมันไม่ใช่ทางนั้นนั้นเป็นเปลือกนอกของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะก็เป็นเปลือกนอกพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปเป็นนามนี่ก็เปลือกนอกเปลือกนอกทางนั้นเลย ตัวจริงคือจิตที่สงบเย็นพระพุทธเจ้าตัตรู้ที่จิตต้นโพน่ะเป็นสถานที่ที่พระองค์ไปตัตตารู้ที่ตรงนั้นทีนี้จิตของพระองค์ตัตตารู้ตัตตารู้ก็คือนิพพานน่ะแหละตัตตารู้ประจุดประจุดเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาพุทโธเกิดย่านังเห็นไหมจักกุลงุตปาฏิดวงธาภายในเกิด ยาหนังอุตปาทิเกิดยานตัวรู้ขึ้นมารู้ว่าอย่างไงรู้โอ้จิตนี้ไม่ใช่กูอจิตนี้ไม่ใช่กูพราอจิตนี้ไม่ใช่กูว่างจิตว่างจากตัวกูนี่รู้ขึ้นมาว่าจิตนี้ไม่ใช่กูนี่ประสูติแล้วเพราะจิตนี้ไม่ใช่กูประสูติประสูติจะก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาว่าโอ้นี่จิตนี้ก็ไม่มีตัวตนว่างจากกูทั้งประสูติทั้งจะตตารู้แล้ว ปัญญาก็รู้ว่าโอ้นี่กิเลสไม่เอาแล้วทั้งหมดราคะโทสะโมหะเลิกตายกิเลสตายกิเลสตายก็เลยนิพพานนิพพานพระองค์ได้นิพพานที่ตรงนั้นประสูตรพระพุทธเจ้าที่ตรงนั้นตจะตรู้ที่ตรงนั้นปฏินิพพานที่ตรงนั้นทีนี้เขาว่าอย่างไงนิพพานก็าแปลว่าตายแปลว่าตายนี่แหละดกนรกยังไม่เห็น เดือนเน้นตะวันเลยคนที่พูดอย่างนี้นิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานแปลว่ากิเลสมันดับหมดพอกิเลตดับหมดคนนั้นก็ไม่ต้องตายนิพพานไม่ใช่แปลว่าตายนิพพานมีอยู่สองชนิดเดี๋ยวคอยพูดสุดท้ายคอยพูดสุดท้ายให้ฟังเรื่องของนิพพานเนี่ยไหนๆก็ยังไงยังไงก็หลวงพ่อคงไม่ตกเครื่องบินแน่ เนะเพราะว่าต้องดูเวลาไวเรนนี้อมะตะแปลว่าไม่ตายปณนีตาแปลว่าประณีตละเอียดประพนจากความเป็นรูปธรรมแลรนามธรรมานา ม, มารูปคือทั้งนามก็ไม่เอารูปก็ไม่เอาปรมณีตสิวะแปลว่าสงบเย็นเพราะไม่มีไฟกิเลสและไฟทุกขนะ์เรียกว่าสิวะเขมะ เกษงจากจริงรบกวนทุกชนิดตันหัขยะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาหรือภาวะที่สิ้นสุดแห่งตันหาที่ว่าตันหัขยะตนหักขโยเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาอัจฉริยะน่าอัศจร์ไม่มีสิ่งใดหน้าอัศจร์เท่าอัปพุตตาบาลาดควร น, นํามาบอกกล่าวในฐานะ สิ่งที่ไม่เคยบอกกล่าวอนิติกะไม่มีเสนียดเพราะผลดีผลชั่วทำดีก็ไม่เอาทำดีเสร็จแล้วเ็าขอบคุณมาก็เป็นธรรมเนียมแค่นั้นเองแต่ว่าในใจปล่อยวางปล่อยวางไอ้อําชั่วไม่มีใครทําอยู่แล้วไม่มีใครทําอยู่แล้วนี่ อันนี้ทกรธรรมะมีปกติภาวะไม่มีเสนียดจันไรเป็นธรรมดาไม่เป็นเสนียดจันไรอัปยาป ช, ชะไม่มีความเบียดเบียนเป็นสภาวะนี่เราก็ว่ากันเวลาเรากรุปแพ่เมตตาอัปยาป ช, ชะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนแก่กันละร ก, กันเลยเราอย่าลือว่าที่เราพูดนั่นคือ นิพานนะรั้นิพานไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่ น, นอภัยปัจจัวิราคะปราศจากราคะปราจจากโทสะปราจจากโมหะไม่มีความย้อมติดในสิ่งใดราคะมาก็ไม่ติดโทสะมาก็ไม่เอาโมหะมาก็ปลักหลุดออกไปเลยสุติบริสุทธิ์หมดจดตระ ไม่มีที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเพราะจิตนี้มันว่างจากตัวตนแล้วไม่มีพื้นที่ให้มีแต่สติปัญญาอยากเข้ามาเลยเข้ามาก็เกาะไม่ได้เกาะไม่ได้ลื่นลื่นตอนนี้ลื่นมดดุตติเป็นความปล่อยความหลุดพ้นอยึดมั่นถือมัน่นด้วยอุปาทานคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่ามดดุตติมดดุตติเป็นความปล่อยอเป็นความปล่อย อานาฬโยหรืออนาลยะไม่เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งกิเลสคือความาาาาทุกข์อนาฬอนาฬโยทีปะเป็นดวงประทีปที่พึ่งของสัตว์ผู้ตกจมอยู่ในความมืดคืออวิชชาเป็นกาะ น, นี่เรียกว่าเป็นกาะทีปะนี่เป็นประทีปประทีปก็คือดวงไฟนั่นแหละเมื่อก่อนมันมืดมืดมืดมืดมืดอ่ามืดทีนี้สว่าง เรามีไฟขึ้นมาเราก็สว่างทีนี้เราไปในทะเลมันมีคลื่นมีลมมีอะไระก็เรียกว่าเกาะที่ป่านี่แปลว่าประตีบก็ได้แปลว่ากาะก็ได้เลนะเป็นเสมือนที่หลบซ่อนจากพ่ายของศัตรูผู้หนีภัยนี่ผู้หนีพ่ายอีนี้สำนักที่ก็ตั้งว่าเลนะตานะนั่นพระนิพพานนะให้เข้าใจนะทีนี้ หัวหน้าใหญ่อาจารย์ใหญ่ถึงพระนิพพานแล้วหรือยังนี่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานสถานที่นั้นก็ไม่ชื่อว่าเลนะไม่ชื่อว่าตานะมันต้องมีคนหนึ่งที่ถึงพระนิพพานแล้วก็ตั้งชื่อว่าเลนะเป็นเสมือนที่หลบซ่อนจากภัยของอู้หนีไพยตานะเป็นเสมือนที่ต้านทานของสัตว์ ผู้แสวงหาที่ต้านทานกาศึกหรือศัตรูตานะนีต้านทานสู้ไม่เอาไม่ออกแต่ว่าเลนะเนี่ยเป็นที่หลบซ่อนเรียกว่าจิตว่างจากตัวตนแล้วก็จิตว่างจากตัวตนแล้วนกจะมาเกาะที่ไหนนกกาหรืออะไรต่างๆที่เป็นกิเลสอันนั้นคือกิเลสมันมาเกาะไม่ได้นี่เลนะเลนะเพราะฉะนั้นเลนะนี่ จิตเข้าไปอยู่ในที่ซ่อนที่ซ่อนของจิตตรงไหนว่างจากตัวตนจิตว่างจากตัวตนจิตไม่มีตัวตนเพราะจิตอยู่กับความสงบแล้วมันจะไปเกาะที่ตรงไหนกิเลสเกาะไม่ได้สาระสาระเป็นที่เล่นไปสู่จิตที่รู้สึกว่ามีภัยต้องการที่พึ่งสาระเกาะกื่อที่พึ่งที่พึ่งอันนี้ที่เราเรียกว่าพุทธัง สรรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสรรณะนี้ที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นที่พึ่งอเราต้องรู้เอาตรงไหนมาเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราผู้ใดถึงเราผู้นั้นถึงธรรมผู้ใดจะมาจับจีวรเรามาจับขาจับแข้งเรา ก็ไม่ถึงเราเพราะเราไม่ใช่ร่างกายเราก็ไม่ใช่จิตแต่ว่าเราเกือพระนิพานคือจิตที่สงบเย็นแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราผู้ใดถึงเราผู้นั้นถึงธรรมแต่ผู้ใดจะมาจับแข้งจับขาจับมุมจีวรก็ไม่ถึงเราเหรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราในปรกของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่สงบเย็น ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นถึงเราผู้ใดถึงเราผู้นั้นถึงธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าถึงเราเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นอริยสัจสีเห็นกันธหาอริยสัจสี่ันธห้าปฏิจจสมุปบาทเป็นอันเดียวกันทีนี้ทำไมต้องทำหลายอย่างอริยสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมรร สทีนี้ในปฏิจจธรมุปบาทก็สี่ ส, ส, ส, สทั้งนั้นเลยเรียกว่าอริยสัจยืดหรือว่าอริยสัจปิดสถานปฏิจจธมุปบาทนั่นทีนี้อริยสัจสเรียกว่าอริยสัจเล็กปฏิจจธรรมุปบาทอริยสัจใหญ่เรียกว่าอริยสัจใหญ่เอาทีนี้สุดท้ายสุดท้ายชื่อว่าปารายณนะ เป็นเป้าหมายในเบื้องหน้าแห่งสัตว์ผู้เวียนไหวอยู่ในวัดสงสารนี่ทั้งหมดที่หลวงพ่อเอานำมาพูดให้ฟังนี่สสองอย่างนี่สองอย่างนี่คือแทนชื่อของคำว่าพระนิพพานพระนิพพานังนั้นพระนิพพานก็คือจิตที่สงบจิตที่สงบเย็น จริงจีว่าพระนิพพานอถ้าเย็นชั่วคราวก็นิพพานชั่วคราวแต่ถ้าสงบเย็นตลอดไปก็เรียกว่าพระนิพพานที่เป็นอมตะไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปนั่นคือพระนิพพานพระนิพพานที่อ่าที่เป็นอมตะไม่รู้ว่าจะพูดยังไง อามตาะคือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปนั่นคือเรื่องของคำว่าพระนิพพานดังนั้นจุดหมายปลายทางของเรานี่อยู่ที่พระนิพพานแต่หลวงพ่อบอกว่าพระนิพพานไม่ใช่ตายพระนิพพานไม่ใช่ตายพระนิพพานมีสองอย่างอุปอนุาปาสาปาติเสสนิพพาน นิพพานที่ยังมีกิเลสเหลือ อ, นอานุปปัติเสสานิพพานนิพพานที่หมดสิ้นหมดสิ้นสาอูปาัิเสสานิพพานอนุปปัติเสสานิพพานสองอย่างนิพพานธาตุทั้งสองอย่างนี้เป็นนิพพานธาตุสาหรับพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งสองชนิดอากแต่ผู้ปัดผู้บรรลุนิพพานธาตุชนิด สอุปติเศสนั้นสอุปติเศสนี่คือข้อที่หนึ่งระบบแห่งความรู้สึกต่างอินทรีย์ทั้ง5้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านยังไม่ถูกกำจัดโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งนิพพานธาตุนั้นเพราะความเคยชินแห่งความรู้สึกในอารมณ์สำหรับจะรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ยังเหลืออยู่นี่เวทนาของท่านยังเหลืออยู่จึงเรียกว่าสอุปาทิเศษะทีนี้ที่เป็นอุปาทิเศษะนิพพานนั่นนั่นคือดังข้อความดังนี้ดวนพระหลานจำพวกหลังนั้นความเคยชินในความรู้สึกต่ออารมณ์ของอินทร์สีต่างถูกนิพพานธาตุอย่างที่สอง กรรจัดแล้วสิ้นเจิงเวทนาของท่านจึงเย็นสนิทรู้สึกว่าจุกเวทนาไม่เอาทุกเวทนาไม่เอาท่านไม่ติดแล้วว่างว่างว่างว่างวางหดไม่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จึงเรียกว่าอนุปาทิเสสะนี่ไม่มีอุปาทิ ก, ก, ก็ก็คือไม่มีกิเลสเหลือไม่มีกิเลสเหลืออุปตทิก็คือกิเลส ดังก้อความที่กล่าวไว้นั่นแหละไอ้นี้หาใช่ต้องทำลายกันถึงมรณภาพไปไม่เพราะบาลีมีอยู่อย่างชัดเจนว่าเวทนาเท่านั้นดับเย็นคือไม่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้หรือในโลกนี้เองทีนี้การที่มีผู้เข้าใจไปว่าพระนิพพานธาตุอย่างแรก เป็นของพระอาหารหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ผิดอย่างนี้ผิดนะักหลวงพ่อก็ข้าวทางนี้ด้วยติดแน่นอนเลยนิพพานธาตุอย่างแรกของพระอาหารหันต์เขบอกว่าพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็ชื่อว่าชื่อว่ายังไงก็ชื่อว่า ส, สาุปาติเสสถานอินนิเขาเป็น อนุปาทิเศ ส, สนิปานคือพระอรหันต์ตายแล้วนี่โง่โง่ที่สุดเลยโง่ที่สุดเลยพระอรหันต์ไม่ตายพระอรหันต์ไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่ตายไม่ตายแล้วมันจะไปไปนิพพานตอนที่ตายแล้วมันจะเอาอยัางไงเนี่ยเห็นไหมเป็นนิพพานธาตุอย่างหลังเป็นของพระอรหันต์พูดถึงแกมาราณภาพแล้วดังนี้นั้น คงจะเนื่องมาจากความเข้าใจผิดต่อคำบาลีสองคำนี่ท่านจำไม่ดีในคาถาประหนวก้ายสุดนั่นเองคือคำว่าสัมปรายิกาซึ่งแปลว่าโลกหน้าสัมปรายิกานี่คือเรียกว่าติดวยากรณคนที่แปลนี่ติดวยากรณแต่ไม่ได้ปฏิบัติทำให้ถึงที่สุด ปฏิบัติทำบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงจุดนี้สำปรายิกาซึ่งแปลกันว่าโลกหน้าหรือต่อตายแล้วซึ่งกี่แท้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นตอนที่หลวงพ่อเรียนบาลีก็เหมือนกันเรไปนิพพานเอาโลกหน้าเอา้าแล้วมันหิวตอนนี้แล้วว่ากินข้าวตอนนี้แล้วไปอิ่มหมดโลกหน้ามันดีมได้ยังไงลองคิดดูดิเราร้อนตอนนี้เราก็อาบน้ําตอนนี้เราก็เย็นตอนนี้เลย นี่มันต้องอย่างนี้มันจึงจะถูกต้องนี่คือผู้ที่แปลอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัติพอไม่ได้ปฏิบัติเห็นในจุดนี้เป็นยังไงทีนี้ตายตายลูกเดียวแล้วก็ตกนรกด้วยทีนี้คำว่าสัมปรายิกานี่แปลว่าโลกหน้าแต่ว่าไม่ใช่โลกหน้าตอนที่ตายแล้วในเวลาคือแปลว่า ในเวลาตัดถัดไปถัดถัดไปก็ได้เหมือนกับว่าเราดับไฟอย่างนั้นระดับไฟเราดับไฟไม่ใช่ไฟนี้นะไม่ใช่ไฟฟ้านะเระดับไฟฐานพอดับไฟฐานไม่ใช่พอดับแล้วก็เย็นวูบตอนที่เราดับแล้วมันยังจับไม่ได้มันยังร้อนอยู <k ünkü> ่อมันก็ค่อยคอยอุ่นอุ่นอุ่นแล้วก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงนี่อย่างนี้ต่างหาก นี้พอเย็นลงเย็นลงถึงที่สุดก็เรียกว่าดับเย็นดับเย็นถึงที่สุดนั่นก็คืออนุปัติเศษานิพพานดับเย็นดับเย็นนี่ส่วนคําว่าทิฏฐธรรมิกามีความหมายว่าทันทีทันใดในเหตุการณ์นั้นๆได้เกิดขึ้นแล้วไม่จําเป็นจะต้องระบุว่าในชาตินี้ในชาตินี้นี่เห็นไหม ทีนี้ผู้รวบรวมมีความเห็นว่านิพพานธาตุทั้งสองอย่างนั้นมีสำหรับพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นต่างกันก็เพียงแต่ว่าพวกแรกนั้นอินทรียังรู้สึกต่อสุขและทุก ข, เ, ขเวทนาแม้จะไม่มีความยึดถือในเวทนานั้นส่วนพวกหลังนั้นไม่มีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จึงกล่าวว่า เวทนาเป็นของเย็นในอัตภาพนี้ในโลกนี้ก้อนี้จะยุติยังไงท่านก็ไปปฏิบัติได้ถึงรนิพพานและท่านก็จะรู้เองไม่ต้องเดามันอย่างนี้เห็นไหมมันตกนรกอย่างนี้คนที่มาเรียนภายหลังมาศึกษาในภายหลังนก็เลยเข้าใจผิดหมดนิพพานคิดว่าตายก็คิดว่า น, น่นไปที่พระพุทธเจ้าไินิพพานที่กุศินารา น, น่น ไหวๆพระพุทธเจ้าที่โน้นเทีนี่พระพุทธเจ้าตัวจริงพระพุทธเจ้าตัวจริงอยู่ที่ไหนอะทีนี้จะบอกให้รู้ว่าที่จิตเรานั่นแหละมีพระพุทธเจ้าแต่เราปฏิบัติปฏิบัติตั้งแต่เห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นหนทางให้ถึงความดับทุกอืรู้ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ประสูุษที่ตรงนั้น พระพุทธเจ้าก็รู้ที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดับเย็นที่ตรงนั้นจิตมันดับเย็นสงบพอสงบแล้วจิตนั้นก็อยู่กับความเย็นอยู่กับความสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นมันอยู่กับความสงบเย็นทำอะไรก็ทาไปทําไปทําไปทําด้วยความสงบเย็นอ่านหนังสือก็อ่านไปฟังก็ฟังไปอะไรก็ไปแต่ว่าจิตอยู่กับความสงบเย็นอเสร็จแล้วเป็นไงพออยู่เฉย จิตก็กลับไปอยู่กับสงบเย็นอีกแล้วไปอยู่กับสงบเย็นอีกแล้วมันเป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ของผู้ที่บรรลุพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์แล้วจิตนั้นก็เข้าสู่นิพพานนิพพานคือเย็นเย็นเย็นกนสมัยนูน้นก็จิตสงบเย็นเป็นยังไงก็พูดกันนิพพานนิพพานนิพพานพูดกันเป็นว่าเล่นเป็นว่าเล่นมีลูกเล็กๆนะ กินข้าวจะกินข้าวต้มกินข้าวต้มแม่ก็ต้มข้าวต้มให้กินเอาต้มข้าวต้มให้กินแล้วก็ตักใสจ่จานเอาจากใส่จานเอามาันรอง่ายจ้าเลยเราง่ายทำไมไหนอยากจะกินมันร้อนอเด็กโง่แม่วะเด็กโง่ก็รอให้มันนิพพานจะก่อนที่นี่เห็นไมคือให้เย็นจะก่อนให้ข้าวต้มเนี่ยมันนิผพานจะก่อน นี้ตักมาตอนร้อนๆมันยังไม่นิพานเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันทำจิตที่มันเย็นจิตเย็นจิตสงบนั่นเลยจิตที่สงบเกิดสติเกิดปัญญาอยู่ที่ในนั้นอยู่ในนั้นหมดเลยนี่คือนิพานนิพานนิพานเพราะฉะนั้นนี้ก็คือครั้งสุดท้ายที่มาพูดที่พันดาวหกครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่พูด สุดยอดเรียกว่าเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นนี่จิตเย็นถึงที่สุดฉะนั้นคิดว่าญาติโยมทุกๆ ท, ท่านคงจะรู้แล้วว่าจุดสตาร์ทมันอยู่ที่ตรงไหนสตาร์ทที่ความทุกข์แล้วใครจะไปถึงจุดสงบเย็นก่อนคนนั้นก็ชนะก่อนอ่าใครไปถึงทีหลังก็ชนะทีหลังแต่ไม่เอาแล้วเรื่องแพ้ก็ไม่เอาเรื่องแพ้ก็ไม่เอาเรื่องชนะก็ไม่เอาเ ถ้าไปถึงจุดนั mm. ้นเย็นเย็นเย็นเย็นทุกคนเย็นหมดไม่ใช่ตายไปแล้วเย็นตายไปแล้วมันเย็นอยู่แล้วมันไม่มีมันไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุควยธาตุเรามันเย็นแล้วนั่นร่างกายเย็นแต่นี่ไม่ใช่ร่างกายนิพพานหมายถึงจิตหมายถึงจิตเย็นหมายถึงจิตเย็นทีนี้จิตมันร้อนอยู่ตอนนี้เพราะความโกรธเพราะความโกรธเพราะความโกรธมันเกิดขึ้นเบอกเอ้ยโง่แล้วโง่แล้ว อ๋อปัญิพานทีปัญิพานเย็นทันทีเลยอ๋อพุทั้งสรรนังเจะมีธรรมังสรรนังเจ้ามิสังคังสรรนังเจะามิอ๋อไม่ทันไม่จะกู้ไม่จะกู้ไม่จะกู้ไม่จะกู้อ๋เย็นทีนี้พอกูขึ้นมามันโง่จตร้อนอ๋อไม่จะกู้ไม่จะกู้ไม่จะกูเย็นนี่พระญิพานอยู่ตรงนี้เดี๋ไปเอาเวลาตายแล้วนะมันโง่เต็มทีไม่ไหวได้อย่างนั้นเอาไปสอนคนอื also, ่นอีกผิดหมดทีนี้ เป็นอันว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้านิพานเวลาตายแล้วมันก็หมดตาเลยนี่เห็นไหมนิพานมันตอนที่ตอนนี้แหละตอนที่เรามีความทุกข์นี่เลยพราะเรามีความทุกข์ความทุกข์มันผลักดันเรามาที่นี้เรามาที่นี้ทําไมเพื่อให้มันเย็นนี่นิพานแล้วเห็นไหมมันคิดถึงนิพานแล้วเย็นได้ไปเย็นเล็กเย็นน้อยไม่เป็นไรออกไปปฏิบัติ มันเย็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนจิตนี้ถึงพระนิพพานคือเย็นสงบเย็นสงบทีนี้พออสามีด่าเย็นเป็นก้อนหินอร่อยนี่คนนึงเป็นยังไงแล้วไม่ฟังเหรอมันเป็นก้อนหินหรือว่ามันเป็นต้นไม้หัะหัวเรากิ๊กกิ๊ๆไิ๊กเห็าด่าก็ไม่เจ็บด่าก็ไม่เจ็บไม่เจ็บทั้งนั้นเลยไม่เอาเย็นจิตเย็นเย็น เขาสรรเสิญเย็นยอหลวงพ่อพูดเก่งพูดดีพูดไม่หยุดบ้าไม่ออกเไม่ออกกูไม่เก่งกูไม่เก่งไม่ออกไม่ต้องออกทางนั้นเลยไม่ออกเลยทางนั้นในจิตมันเย็นเอ๊ะก็อย่างนั้นเองพูดดีอย่างนั้นเองพูดไม่ดีอย่างนั้นเองแค่นั้นมันแค่นั้นเพราะฉะนั้นต้องเย็นเย็นเย็นนี้เดือกนิพพานอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านได้นิพพานตรงนี้แล้วท่านไม่เสียชาติเกิดแล้ว เวลาก็เห็นว่าพอสมควรแล้ว6ครั้งก็ขอให้ทุกท่านเดินเดินเดินเดินไปข้างหน้าอย่าได้หยุดกับกิเลสตัณหาที่มันพยุงเอาไว้เดินเดินเดินเดินจนถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานพอถึงพระนิพพานคือจิตที่สงบเย็นแล้วความแก่ก็ไม่ใจกูเกิดความรู้สึกว่ากูก็ไม่เอา ความแก่ก็ไม่ใช่ของกูความเจ็บก็ไม่ใช่ของกูความตายก็ไม่ใช่ของกูร่ํารวยสวยงามก็ไม่ใช่กูของกูไม่มีอะไรเป็นตัวกูไม่มีอะไรเป็นของกูเย็นเย็เย็นเ ย, ย, ย็นเอาไว้ขอให้ความสงบยันนี้จงปกป้องจิตใจของท่า น, ท, ท, นทุกทุกคนทุกทีพาราติการตื่นสา